คือในบัวพะรละมันเป็นแบบเป็นขื่นว่ะแเราเวดแต่เนี้ว่าตัวะซอนจุดที่สะตันดีตาสิงนี้จำพรละอ่อนนอนท่อมตัวยูสมบตวยสมบ๊วาจ้าสมบใจเห็นลงเขอนัันสูงชุดงงเข่นั้นหญิงไงคืกจะจับคุณซ้อนใหญ่ยังสั่นนอกบ้านตัดมนุษ มันเป็นเศษมันไก่มันมือมันหนาเขาสีเหลาสีหัวน่องกันลายโซหลายเสียงคนยู่มีความราในแส่ฐานขี้ในบุกคนในปูเสือแตฐานเวลาเป็นบาปเป็นกรรมยังได้ิ้วเจ้าบาปกรรมนังเป็นเถิดเป็นข้ามเป็แหนบเป็นฟ้อนโต้กู้กันเลอกกันยงหลังยืมมีความ ขหุกเหนือค <sh ake trouble> ู่ผ <gen> <Beach> <sh ake sano apples> <sh ake> ุญเกิาสะอาหนาโดยดุบเดยเยี่ยงาก็ดีโดยดุพ่เหลี่ยงันก็ดีเห็นตัวดูตาคือมีแต่จะเหา่ยวโดดีบองง่าบอกขรุก็พู่าขั้มทรงเลุมากกระบโดีเยี่ยงมากดเยี่ยยดีเลยเอากเดดีกี่ิ้เพื่อนาแตะกันว่าหาความดีก็ได้ พอเคาคารวะในสถานที่คือจะยื้ในสถานเครพเดวกกายพื้นการโบเอบร่บเต้นรำโบครับหล่อบวิงยนในสถานที่ยังน้ะท่าตาท้งสงบหลงัคารวะไปมาเหลืควมมีศิรักษาโบไปเหือกระโดดรดเต้นโ ขวัญร่ำครับลองโชคต่อยกันในสถานที่ที่คนเารบเขลาวะผู้นั้นเป็นเสือเป็นผู้ทำดีดีเขลาโวรขลาวะใน่คิดไน่ใจตายไปแต่เปสในสถานที่ดีใหนดูไหนเต่าเลยเพราะโดยเนี่ยมากแต่ขึ้นดีวางนอนซ้อนง่ายตัวเขารบเลตายเขารบอย่างนั้นคือผัทำเรื่องต้ากายเหตุการไป บ่อเต็มล่ำครับหล่องบ่ตกบ่อต่อยบ่อหญิงบ่อเลีนในสถานที่ควรถกบูชาบ่เท้าเปลยนผ่านเรีนในสถานที่ยังนั่นเป็นอยกว่าเขารคเกิดกายเคารคเกิดวาจ่าแต่เรามังรักษาบ่อพูดเยี่ยงดังบ่องบ่อลำบ่อห่บ่อโ h o e บ่อทำซึ ันอักบโมค้นเกิดสิงแย่ตนต่างๆต่างตาคอยรักษาปากพงเข้าห้อารักษามันตะคิดบมเป็นโมค้นใหม่เป็นคนปากเงาปากเหม็นเป็นคนบอดีบองามวราออกไปไม้รั้นตอมมันบหอมมันเงา ถ้าเราพอเครบรักษานอกนั่นใช่ไยคอคนปากตู่ได้พบหนาสาดหนาเป็นคน้ัหนวกทำหนู้้ยอื่นลำช้าหรือของเพลนเราก็รักษาพอวัดเป็นฐีเคารพบูชาว่าเป็นสถานที่เออเริดแค่ห้าแลาเนสถานที่เจ็นลำแล้วเ่ารักษาเอาไว้ตลอดทั้งทางใจสห็นเครดเมือทั้งพระพุทธรธรรมพรสง ผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดวิเดชัญหานี่กายบริสุทธิ์นี่วิชาบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์นี่สม ท, ที่ว่าเป็นเมือสาคัญทางศาสนาถูกวัดถูกว่ามีผู้คนประท้าชิญลางไหลไปทําบุญสุนข้านไปทำบัตรท า, ว, ทาว่ารับเราสร้รรางธรรมะจากคู่อาจารย์ในวัดนั้นๆ พอเป็นวันไปวลาหน้าภาษาบ้านเฮาเป็นวันออกพันษาคือพระเจ้าพระสงฆตามมาเล่นคนในสมาชานันาษามาตั้งแต่เดือนแปดเท่มาถึงเดือนสิเ็เทเป็นเวลาสามเดือนเป็นระยะเวลากี่ปพระสงฆ์เสาพันาหรือเป็นมือออกพันษาหือว่าเป็นการสมัยเป็นู่คน สมัยอันนี้ถึงในขั้งพุทธาตเพิ่นกะเซยเผาพสาพระพุทธเจ้าไปจําันาดาวดึงกระเด็นลงมาจากดาวดึงในวันนี้ออกพานาหล่านี้ผูกข้นประาชนทั้งหลายคอยแตรับแต่รับข่ามจากเพิ่นออกจากนั่นเพิ่นจะเบิโลกว่าแต่ในหนังสือธทลมดากระเบิโลกกลางสามในซัดหน้าโลกนี่โดยเห็นเทวุธเทวดา สเพื่อว่าดามนุษย์เห็นโลกเผิดโลกเห็นพระองค์เสด็จลงมาจากดาวดวงเดยวได้เจ้าบันไดเงินได้ท่องนี่สุขเพรสมุทเพรพัรีดาอินส้มแหเห็นลงมาผูกเ้มใ่ตาเ้มตลอดที่สัตวเทวสารเมื่เห็นพระองค์วามเดอเผพระเจ้าทั้งหลายน้ำทงคือมนุษย์โลกชาันตป่น ยิกมดีใจใส่ใสกับปาถนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหมดแดดำหมดแดงกับปาถนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะความอัศจรรย์เป็นโมกุ้นสมัยอันใหญ่โตท่ำเห็ู้คนแต่ชาเช่นตลอดช่วงชาติยัยานี่มองเห็นอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้เลิศแต่เสดีเสดหรือยิ้มเดรดเดรดเดรดเดชท่ำพวกาัโลกทั้งหลาย เห็นมารุดเห้นเนทวดาเทะดาไปอยากขึ้นจากหน้าโลกมีโมกใหม่เดี๋ยวร้อนหุ่นไร้หิ้วกระหายจิตในจินในใจเหมือควไปใดเหดืือใดถือมาทำบุญพุ้นทา่านต่างสวยงามคล่องดีชีดเช็ดหลาในการทำคิดผูกคิดคิดคิดคล้องตัวนี่เป็นซัดนรกผูวไปจิตาถนะในใจย่างนังนผวก ม, มารุดทั้งหลายเลี้ยงลงไปเห็น นนรกคือมกใหม่เดือร้อนอยู่ในนรกหัวเขี้หลังใจใจเนาถูกพร้อมต่างๆหน้าๆขยันย่อมทั้งหลายทรมานตายของเขาเหนได้รับความเหล่อรอดเห็นรับความลบากโดยบาปกรรมที่ทำไวมนุษย์ทั้งหลายจิใจบ่อยากท่านเสื่อมเสียต่อไปเหนือยล้คุณไปทึ้ง สันเห็นเิดภูตเผดพริดาโยธาศาสตร์มั่นความเป็นยทุจาล่างสะดวกสบายมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าชบุญสุนทานอยากจะเป็นนางฟ้าเอวดาอากจะเป็นเผดภูธเจ้าฟ้านี่เป็นวัฏจักรโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกว่สักปิดโลกทั้งสามทีชัทั้งหลายเดยเห็นกันเป็นก้าไหว ในตําลับตําล่าในตําหน้าเป็นพุคราติฐานให้ทุกคนเด็ก น, นิติเจรนะิหน้าละตัวผมเท่นดีต่อไปเข้าวิชิตไข่เินิที่เจรนะิหน้าเขาวัดเขา ว, ว่าเออเกลเท่ห้าอย่างหล่อร่ำทำเท่งหยัดยืดซึนอยากยากุดกระโขกประทักอันไดก็เค่ไป ต, ตามอวาเชื่อใจของเขานั่นเป็นทางตัวทางเสีย ทางบอดีบางให้เกิดขึ้นแก่ตัวคองตัวผู้คนรักความสงบผู้คนต้องการความสงบผู้คนนางาวหน้าเดินเท้มตำราจีเบกของคนก็เลยยืนเสียงอุก็คือคื่คมยยืดเสียงเือนสงประทัดนั่นนีขึ้นมากจิตใจมันเละหลอนจิตใจมันปวนฟันหาความสงบสงัดไ่ได้เอาผู้ทำเบอหนึ่งหวังจ ต่างบาปต่างกรรมใช่ไหมเป็นบาปเป็นกรรมในตัวหรืครอบบรอบพรอครามบริวจักเวล่าบริวจักประมาณบริวจักสถานที่อยนั้นใช่ไหถ้ากันกินปีเจน่าแกะไข่โยงของตัวอยากเกิดอยากเชื่อมอยากไปเปิดเชื่อมในในสถานที่มูสันนียสถานเป็นต้นแล้ววัดว่าโทตี้หัรผูบาอาจารย์ผู้บวชปฏิบัติอัชธรรม เป็นปูน er ีและสถานเป็นปูะ nee นีและวัตถุยี่คว <stand amor. S 2> ่เทารพค่กาววาดเฮาบวชจีนิชจราน้าจะทำเสือทำเสี้ยในสัาวนี่เทารบกาววัมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมจีนเฮาทำบ่อตรงคือได้สิอย่างที่เอาไปตัวของเฮาเองเป็นผ <teor in> ู้จได้รับบาปกรรมต่อไปเกิดชีน่าโมคือบัณคือเรื่องคนจิตวิปาบอ หักระโวกซะตากระบดซะปากกระือัะไม่ถินตาเอาหัวใช้ทียาได้เน่สั่งยันยางก้าวขาบวกดึงมือถได้เงิได้เห็นขี้กัดขี้เขียนี้ถูกปุ๊บทั้งพอสั่งซ้อนบอดีเอาไว้เมื่อเกิดขึ้นได้จากตามก้อนเขาทำไม่เกิดขึ้นมาจากพีงอื่นว่าฉนั้นเพียงไรมันบอดีบาง่ามเพีงไมันเป็น ปวดเป็นไท่ไหนละอย่าไปทำระหว่างรักษากายว่ายใจใจงตนเรียนสีสอบศียิ่มดีกับคมที่อาไววในสถ า, านที่บาบังคึ้นนะผูกข้นจนใส่รักษ า, าไหวถึงคุ้นงานความดีไปสถ า, านที่ใดบาา้านนั้นนี่จินยามารยาทมีทำามีนดยเรียบร้อย บอกว่าใูง่ายูหน่อยไปสถานที่ไดมเีความเึว่าถึงฮัดกายใจนะบงไหนเนกยนะบูซาเขาไปแต่ละเสนเนีนอ่่งัดตากรรมฐานเบืองหนึ่งบงล้านเบงคือบงคว่เนัได้ผูบาอาจารย์กบาลูกศิษย์กระบะเาก็ว่าไปเส้นตัวเขาบนยืนมองเงยเอาไปยังไงียงอันดียังไที่น่าทึ่ดี พักัารสอนกันพักการสอนใจยกฟ้องของโมดีนี้คาถนานี้คือได้ยากได้พักรลว่างรักษาไมย่งหละคนเราอยู่กันยื่นตีอย่าคุยกันอย่าคุยโดคุยนอกลัดเขาบอกแล้ว คมบดีบางแน่เลยเป็นทางเรื่องทางเสียคอหนงเท็ดม่มนีถ้ำเรื่องคนเดียวแต่ถ้ำเลยจำนวนคนเป็นหลอยเป็นพันเอาหยิ่งยางไปได้เป็นจังหวะอารัชี่คนเดียวทําลัชี่หายเสียหายไปไหนเป็นหลอยเป็นพันอารัชี่ก็คือคนมืมยางอายคนมือคว่มดีในใจนี่ร่าจาาในใจท้องเติมหดือดไปสม อยู่ในภูมิไถสทั้งค่มไดสห่วงได่จะทำห่วกันเหยียเชมเสียไปหหหาหาเหมือนกับทีาเนาหรือเชื่ออื่นเมื่อท่านตายท่านเนาเม้วก่อนที่จนฟุ้งแะแฉดผ้าไปฮะตัวอื่นทำเหนเนาเหยเน้นลักซี่เที่ยงค้นเดียวทาอรัชชี่เหยดีเหยเด่นไปได้แต่ทาเน า, าเดียวกั น, เ, นเขาเห็นดียางอะไยาเห็นความดีเขาไม่ายยา 5, ห้ามเขา คนนหนึ่งดูนมือนั่นบ้านนั่นเขาแต่เสมาข้นบ้านนั่นเป็นคนดีเป็นคนมีจิตามตตาญาณนะรักใครเป็นคนมีกิิยาเมลตยาณนาเรื่มใสพอะ้นดีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็นั่นบ้านนั่นเมื่อห้องเฮาไนี่ืเสียงเบ่งดังไปใด้ทั้งดีเนทั้งดีเห็นทั้งเสือกตรงกันข้าม ว่าเสนอให้ร so ักษาเอาไว้ความบอดีทุกอย่างถ้ากันแกะไขถ้ากันระวังรักษาวัดว่าเป็นผีเคารพเป็นผู้เป็นนี่ยาสัฐานมีไงคือหน่อยระวังรักษาเล็กเล็กเล็กหน่อยมันเป็นคแม่คอแม่มันแม่น้าตังสอน่อแม่มันเป็นคนดีหลูกเต่าเหมือนกัมาเก็กเดินตามรอยเท่าของปอข้าวแม่เหรอลูกม้ามันสืบกลายเป็นสัตว์เป็นเสื้อเป็นบัวด่ายลูก ตางลูกเสืันจะเป็นหมาเม่อไรลูกอันใดก็จะเป็นลูกอันนั้นลูกคนดีแต่มาใหญ่แต่เพื่อเตี้ยดีไปตาม่อร้อยท้องพออแน่ลูกคนชัวแต่ถ้าเมอเดียวกันเพราะฉะนั้นเฮาเป็นู่เป็นพอเป็นแม่แต่ให้แน่ซอนเขาอึงไหกจะเป็นอัปมงคนสีน้ำสีเสียงเหมือนล่าบดีบงามากไข่แก่ลูกแก่ล้านคือเราอยากคว่ำอยากคู่อยากจิตคู่นั่นแตห้ามจิตห้ามใจเอาไว้ พอเล็ยหน่อยเขาที้ไปเป็นตัวยางทั้งพอดีบางแง่ยิงไดมันดีมันงามถึงสาเส้นคิตใจแตา่างแต่ทำบำเพ็ญพอเกหน่อยเขาเห็นเขาเก็บจเอาไว้ว่าพอเมียเคยทำยางนั้นใชก็คืตที่บาดยางนี่พอเมเป็นบุคคอาจารย์เป็นอาจารย์เบ่งสอนของเด็กส่งจะเป็นแบบขึ้นของเด็กถึงหบ่าเดยนี้อนเลยวาแยากีริยามารยาทของเา ถ้ำหนึ่เขาเห็นเป็นการสอนในในตัวเป็รลาบผูกต่างชาติถ้ำถึงถ้ำหนึ่งเขาเห็นข่าวลีุนเยอะว่าได้การกระท่าเป็นการสอนย่างเอกย่างวิเศษถ้าการจีนีที่แจน่าสังคุณงามความดีมากตอนเจ้าพระารสับาททําบุญแก่พระเจ้าพระสงฆ์เทียบกการออกขั้น้าทาวัดทว่า ไฟฟาส่วนมุ่นตามเจริญนมตใาตามความสามักคของตัวกอทุกข์ทำเย็นมากแเด็บูชาดอกไม้ถูกเที่ยนก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จาบไว้ทำวัดตั้างเศษสร้งท้ำกำหนดจิตกำหนดใจให้สงบร่างเงียบก้อยฝูงฝูงชิดลึกมากไม่นลยก่ะลาบากลำข้าง เราเพิคิดเพิ่สูเพิ่สูงเคิแต่งาเพิ่งเห็นามันจะเห็นชื่ได้ดีวิเศษชุ่ให้โอกาสที่ข้สมหวัาว่าในเวลาวันพระวันเจ้าหรือไม่วันการสมัยมหาพรานหน้ายางนี้ท่ากันกำหนดจิตกำหนดใจอุทิศบุญกุศลสิ่งกำหนดไว้ใสสงบเพื่อเพียรไปสูสัพพะสัพงหลายมีบิดามาดา อุปัชาอาจารย์หรือสัพพสทั่วไปให้ร ok ับความสุกกายสุกใจหน่อยนี่สามีเยี่ยงเจ้าของสองพ่านส่งกันและกันทำคิตท่านใจทุกชนให้สงบให้เหนียตาจิดชิดนึกอุชิตบุญกุศลไปหาตัดช่างร้ายสิเดือดเน้อทานนะโลกมันช่งงบ้ะงับบ่เดือดร้อนบุญไห้บ่ยิ่้าพยาบาทกัน เอาบัวส่างคุณงานค้อมดีอุทิศค้อมเชื้อไปให้เขาท่างลายเรานันเขาบัวรับแผ่นข้อมดีบัวรับคู่กันครับเอาเชงขี่ไปให้เขาล่ะเขาบจับน้ดอกเขาเห็นว่าี่เปนเหม็นแผนเงขนมเงพองอยาพองจีนเงเงินเชงเข้าไปให้เวลาไ้กันยังไงสับเพราะเหตุใดเพราะมันแดด้ท้องดีเหมเท่ากับคู่กันแหะอุทิศข้อมเัไปให้แตส่ใส่แชงไปอิช้าพยาบาท เขาเล่าจิวทิศความเสื aine, me hal, me ่อแต่ให้เขาเขาว่ารบดอกสัตทั้งหลายแต่ดีเห็นบอลถือควานกินไก่มันก็แล่นหนีงูขวานมันก็แล่นหนีหมามันก็แล่นหนีมันด่านชายด่านจีเขาเอาเขาล่อแเล้ยงแล่นนกนเนี่ยหนักวิ่งนกเงิมาเต่ามันแล่นนกบัจันเห็นเขาเ้แล้เป็นหมาเปนไก่เป็นฟูงไปนั่เงินเพืนมันได้กิน คามดีทั้งหลายแต่ทั้งน้องเดียวกันหัวคิดแต่ไหนพอเมีพี่นีเลวุฒิเวดาสะพัทุกขทนหนาเขายินดีรักพอนิมโนาเปลี่ยนใจเ่องความวหนุ่มโอชาหน้าเปล่านุมโนาบระอรนมโอาน้านั่มเพรนเป็นการผิดวไเป็นสิ่งผิดปรปะถะนะเมื่อเขาว่าเนี่ยคนามซวตัวไปล่านี้คือไรต่าเถนะนี่คื้ไรต้องการ จัดเคื cool. <c oughs> ่อกันมนุษย์เพื่อกันวาสนณะความเพัวอภูมิใจใจจงสอนว่าชอบภาษาภาษาตะล่านความเพัวทั่วไปยาสิท้ำควนละควนถอนกระตังกระตังเซโยความเพื่อบัวถ้ำก็เลยดีกลัวสุกรตักกระติทุกกระตังเพราะความเพืทอถ้แล้วจเหมือนหลอดในท้ายหลัง ควาเสื่อสิ่งท่ทไปมอนหายฝนแก้เฮาภายหลังเมืได้รับทึกรับเนี่ยลาบากลำข้านทุกคนเสื่อสี่งท่ทำไ้หายฝนหายําไลเกิดขึ้นในเสืองเฮาถ้ผมมาต้องการความเสือเราเนี่ยเราควรจะเจาะต่งหัไหล่ท่ำในคำเสต่างๆบวกทั้งกายทังวาทังใจ กูได <med silly> ้เห็นได้ละเสือไดู้่จะกูจะลูกไปทำไปสังกูนี่ทงคว่มดีสัทางสา่งชิ้นทางพรหน้าต่างกายสงว่าจ้าสั่งใจไปนทางอัทางข่าคือสั่งคว่มดีไปเตัวเสืเองคููนั้นมีควเสือเลี้ยงหนึ่งเล้ยงเหมือนชายสั่งชินะครับวันขี้ข้อแสงตะวัแต่จางแจงออกไกเลือ มา 6, มีวันจีอับเสามามีร่นจีเสียหายหนึ่งเพื่อการต่างความดีพระพุทธเจ้าสอนให้กอบเกลืตกทําบาเพ็ญยว่าท่านกายท่านว่าใจท่้นหินทางท่านท่านพลัหน้าเพื่อใสั่งใน้ถ้ำพาความดีเท่านั้นโลกสี่งนี้ความสงบทุกขอบเกลือิ่งีความสงบทุขเตัยวเค้าเตีวทิ่งนีความสงบทุขความเตียวแล้ว ตัวข้อมือคิดขึ้นเมื่อใดีิตัวเดชทําไเด้พูดเดคิดในทางตัวทางเสียตัวข้อมือเองกับัวร้อนแผลเป้าเวลาวมเข้นสิไปทำตัวสากเสียหายยางหนองยางนี่โมกขนสิไ้พูดตัวสากลามโยางหนองยางนี่เดือดร้อนคิดถึง้อมือเมื่อใดเขาตายเขาใจข้อมือู่เรื่ยไรมันจะหายละัวบอเพิ่นดี อยู่านชั้ใดอย่างนี่เวลาเป็นมงคลเวลาเป็นของตนเนื้อบุมีความดีมีแต่ควานดีแหละรู้สุกจิตสุขจิใจหน้าสุขเมื่อใดใจซีดจิตใจเอิดอิ่มในความดีของตัวนี่คือต่างความดีในตัวเมื่อตัวมีความดีครอบครัวสืยอเอารักษาเยื่หุน้นจะมีความดีไปด้วย พราว่าตันนิดนิดโทษลูกก็ดีเมียก็ดีภรรกกดีพระควาดีต้องเฮาเนือเพื่อแพร่ในไหมบุคคนเรานั่ยนยัมความเยือกเย็นายใจท่องเขาเข้าเสือเข้าเสียขวบข้าวฟองเฮาแต่เดือหล่อนหยุ่นไาหน่อหนางเือนใหญ่ตาบบนอํมเภอจังหวัดประเทศชาติแต่ไฟเสัอไฟเสียไปเรือ เป็นลารักษาความสงบรักษาความดีต่างแขนต่างกล่นต่างรักษาโรคเมื่อสงบระงับมีความฟุ้งว้าสบายรเบียดเบียนรักโศกโศกเีรวหาจี๋ต่งขีกันโรคเม่อียดเบียนเป็นอาเป็นถ้ำบกปิดตันทำคาสอนของพระไตรปิฎันสีห์แห็นความฟุ้ความเจริญ ของใจของใจก็จะนันกควนจึงจเอาไว้และเสือมเพื่อนดีเขารบฆารวะในสถานขี่ขวเขารบในมุคขั้ี่ัวเขารบคู่เล็กเด็กแดต่าล้างเลือนจะเารบต่อคู่ใหญ่นอ้ายลูารบต่อพอต่อเมียถงจนคู่หายก็เนิดอตัวองเล่ามากประเภทได้ปัจบันได้ย่างนั่นก็นาวันจิตเจริญ อออ ren, وا, เอาละน้องพอปันเอาละเนื้อละเนื้อหน่อยาม่นิดอย่าอนู้นฝนาแต่สาเส้นเขาทาไหลท่านหน้าโดยการมีเครื่องจับเครื่องฝนนี่จะเนื่อจะควายเท่านั้นหาทาเท่าหน้ามันเติมฝน งอายนเป็นชาตสะเทืนหนึ่งเเนขู่คนคือมืนจะไปออกบหมอนโบสถ์งานอเท่อำนาจเหมัอนจะสมัยความเถ่าพระหลูกพระล้านจะเอาหินรถมันไปให้มือเห็นรถงนหน้าแบ่ทำหอนได้ได้หน่อยเขาตังค์ขหอมขันมือไปรอาหินสวยๆนะผมเราเราเต้นอย่างเราเต้นหอม แต่ถ้ได้หน่อยบีสักเขางานพมอย่างรถน hmm. to to <the hmm. oh? Marsh ุ่นเตือนรถนุ Hasta ่นจะความันเ mm ืนได้เตือนเตือมันเตือนมันจะเหนียดนาะพงศสอนมันเป็นความสิ่งคุ้มมันก็เห็นมันเป็นเงื่อนจะควายตลอดแต่เย็นแต่สร้างห้องกลางกลนี้เยวะแต่เสือดีดีเงื่อนควายมันูกจิ้มั่งเตืมน ย่านีถนีันเยเลยอย่างรถยนตรถตู้บถขนน้ข้าวสังเยอะกว่ากล้านเยอะงานองาฟ้เลยรเตนได้สาวว่าได้หน่อยดีขึ้นไดห่รับท้องอเห็นพน้องไหมสมายถึงประธาเเห็นไป้ เล่าขอบันสมพรรษาบรรยัติเดี๋ยวเศร้าให้เศร้าหน้าไปส่องไปรลอกไม่จายเงิสมจอยุสามพรรษาได้ระยะสามเดือนถึงดูฝนออกจากสามพรรษาตลอดใจมานแล้วคือใจเจ้ากองบรรยัตอันนี้สมของบรรษาบรรยัตเปิดโอกาสให้ทายกพายุตาหรือทำบุญพื้นท่า มีรายจ่ายแต่ทีนเป็นต้นี่อย่างหองมือเจ้าเป็นก้าวไส้แบบตำราวดนเสียดทานหาไว้ไม่ย้มออกเช้าเช้าไว้ไม่ย้มเข่าเช้าไว้ม่เช้าวันเจ้าไม่บ่าสมรานาสังแา้เช้าข่าสังนอกอช้าเต่างมนี่มีโอกาสเยอะา ผมคือจิตใจทั้งนไปเป็นหล่อพันศาแล้วเชงแใจข้ามาออกคือปัญหาอย่งมัหอแกิใจทั้งนูถ้าตัาเพราะความดีเลืไปคือปัญหาเขาชิมเถาะชินนามง่ทนอิ่มหล่ออกนศาเดี๋ยวมันดีอิ่มถึงมันคอดือปัญหาอะไร่างี้อปัญหาเขามีเัื่อือปัาเขาชิถินามไ่ทนอิ่ก ยิ่งเดือดไปทำงานทำดีทำไปดีไปแต่ใครทำทําดือยไปเขีนคอ้งหาใหม่หายไปเราต้องหายใจเหนื่อยได้ส่ะอย่าหยุดอย่าย้ภาษาอทไภาษาบนบาตรได้ท่ามัยังไหนคือเต่าบนมีการรมการเสียไปเห็นงามความดีเอาไว้ เกิด้าทั้งชาติมาตั้งขาดเพื่อนเป็นโมฆะมองนีอันใดเป็นซาลาให้โชคดีกีเดืนมาเกิดเนมนุษย์สัตว์เอกสารทั้งหลายเขายโยกาบเ่าลาี่ามาเกิดนับจำเนื่องหลานบัตรมองนู้นเท่ากันสองทางอันํำขั้นกี่ทัดถั่วไป ถือว่าเนโสดละเห็นใ่ไหุกขสิคือเป็นโสดฟุกขติเหมือนรถเครื่อรายิ่งพตัวนล้โลกเกิดเสื่กายสัพไดสัมเป็นอบายยักษุมเป็นพื้นตั้มเป็นฟุกขติมีบาทมาสามาที่ังมาสางสนสางชาติสงสีสงภวนาได้มาสามาทีเป็นพระพุทธเจ้าเป็น พะอริยาเจ้าได้เขาอาพักอาจนก้อนเฮาอย่างนี้จะเริ่มหักกอนเฮาเช่นพวกในเคื่อมือจอมถ่วงมือมก็ะดาษพวกเครื่อไ่ะเีให้กอนนี้เขาจับหมดรมมือมันก็นับไม่ได้ก้อนนั้มันหนักมีเฮาวิวัฒนาารนี่วันาถึงเด็กมาเกิดเป็นมนุษย์ อาการักษาสมบัติของมนุษย์ดวสใจสั่งใจให้มันดีไม่ดีสาพยายาม้ายใจในชีวิตของเฮาเป็นขโมีร่างอย่างเย็นเนของโมจิแข่งนีนอนถาเรามีสุขสมดีก็มาเก็ดได้จะเติมเหนื่อยเตินตัวเตินใจเตินใจสั่งสมดีต่อไปคือได้ลงไหลเกิดมาศสตเดียวแบบเฮา ้ายไปแล้วยุ่งเรื่อนรกสร้างโลกไปเจอหน้าโลก็ดีไปเจอเป็นชีวิตเกิดแต่ตามจะให้ใจเหตุไปตายขาดเยว่ไปต้องคิดต้องอ่านเป็นั่นเป็นนี่ฟ้าชี้ชีเป็นท่าบอดีบ้านะฟ้างนาท่าเรสาวราโมกไปไหนทุกทุกประการไปแต่ถ้าตายขาดเยว่ตายแล้วมันดับตายดับตาว่าอย่างแต่ไม่ใช่นี่ตายไปแล้วจำที่ตางว่าใจยันมีคนคิดเหนเลย ตั้ได้รับเครงทุกโกหม่ผมมีโรคเ็นเจ็ปาตัวเป็เอส่ากายตาบางเสือบางงาเนื้อเป็นมกรปเสียจ้นนาเดนยืบางงาอีบ่บ้างร่างกายชีใจร่างกายก เป็นอย่างไยึดเยการยึดใจแต่เป็นปิจัยยึดเป็นยการคิดนที่ไม่ปจัไ่หายแน่คือบกแกายแค่หกจะหลงจะไลแกจะลวเมอไปตามหลวตามหลวงซัวนะซเกกรรมที่ทำไหวทแห่งคนคือหนึ่งเรื่ทุกกายทุกใจนอกก่าแห่งดเลาปัตตานะ ความเสื่อมรามตาไดีอย่นัいい้นมันพาไปมีเกลื no ่อนทำหนุนเพื่อนคนงามความดีรักษาเอาไว้สิどこどこ่งความดีเหมือนยังไม่ซือเวชจูตาเสียแล้ตกไปฮะมีน้อมชานางคุชราท่านมาคุราท่านมาบอกคุณานความดีให้ดูอยู่ใหสั่ให้ใส่าจใส่ใจท่องเท่ความดีไม่ให้าต่งใส่ใจบ้าอื่น ต้องสั ỏi, sure ่งต้องหายใเจาางต้หวัดายว่าหาวดหายืหานสั่งใส่กายใใจต้องให้เลเดียสั่งได้ทำได้ไม่นจออยู่ในายในใจคิดใจกับเบิานคิใจกับฟองใส่ิดใจเบิกบานคิดใจฟ้องไสู่้ัิตจะเป็นที่ร้างได้ิดใจเมางคิดใจสื่เสื่อมิดใจเดือดรอน จิตใจเวียนว่าทกติก็เป็นีิวว่างได้เป็นหัหอยยางน่ะผ้าชีดทั้งศาสนาสารสัมฤทิ์ทั้สารนุกนความดีใจมันดีใจมันท่องใสใจมันเบาใจมันสบายนี่ค่มีทางไปสู้ความดีต่อไปห้อยังเวีนท่าบนห้องถึงสีุ่ดแล้วะชุดท้ายเจ้าค่ะ อาหารอาหารเพ่อนช่วยชีว huh. uh ิตแล้วเ่อนสะดวกสบายทพื่อนไม่ีวันที่จะเลยทุกอย่างเน่ยในร่างกายร่างกายไม่พบขาบอยู่องพอดีพบขาบหนึ่งวันสิจะเกิดเนี่ยฉะนั้นคือดีมีความทุขแหสร้างเอาการให้ทานจะเกร้าเหร คือสวัดิ์เสอคความพด้ทาไปนอกนกเ่ทานเาปาฮะข้าวโ ทานภายในยิ่งแข็งสี่เหยมกมสงบเงินระาแผเปลี่ยนเ้ยต่อของตัวเองหรืกล้วยลักษาเพาะสีเป็นท่าห้เกิดโชาลาภเพราสีนเป็นท่าหาเกิดลุกขิพาสีเป็นท่าหายับสี่เหลี่ยมหา หล่อนนายคุจะรับนายตรงไหน ไปข้ามไปผกวขาสนจากสิ้นถึงเขาที่ไปจาะบ้ยักษให้เจ้าส่งครืไม้สิ้นจะถึงขุ่มเขาเครือชัวเครือเสียแน่นหนาและส่นะว่เจ็ดปลาหลับถูกี้สิ้นเแหลวเพราะย่อพอไปเราคุกแต่ว่าไปฟอะเข้าเข่ากัอนุญาตโชคเขาเยอะอนุญาตแห่งนี้เพราเนีย เขาจังเหตุเรไปบางตัวบางเสียขุกตะล่างบา ง, บางบาดีบางแ ง, ง่นี่แม่กปัจจุบันแกข้างหน า, าตาแลจวแต่ถ้าน้องเดียวกันเห็ีพวกนี้นที่นี่ทำชาวนาโยมที่บานทำบ่เดืจับไปไลกลกใหม่เนี่ ง, งไปเกิดเป็นมนุษย์ช่เกิดเป็นเถื่อนพุทธเถพระที่ด า, าเกิดมาแต่ไหนโกฆ่ า, าอาภะ โมเป็นเสียงเยืดปวดนนอนเงียบอรวรรตแอ้ๆเพราะอนนัมาบียดเบียนเขามาทหลายเขาอันนี้สองข้งศีลเกิดหน้าจะเป็นควานสะอาดเกิดหน้าตัวนี้อันหหลานะเกิดหน้ามีความงานหน้าพออันหนักศีลที่รักษาไว้กายจะสะาดสาคลายไทายเทียบ มีกองฟองใสเมือวันนะสีปากนะเขามาย์ทั่วไปมีวาจาสีสักชิดเหล่าอันใดจะส้มนับถือเสื่อฟังเพราะอำนาจของศีลจิตัวรักษาม่ใจเราตอนเป็นอนิสงส์ให้ผู้ศีื่นใช่ไหมผู้ศีเยีหวังอยดีรับฟวงฟุ สบายพอไปส่งผีไหลหินชื่อเ้นขนทุกข์ตัวห้องไหนแจะิเป็นทาหรื้ยาหนาจะเดินใจรักษากระทัามัเพือนอไปท้องหน้ากันสบายจิตใจทงหน้ากันขวัขวยยหาคนงานความดีมาหายใจหายเนผีสิงผีอาใส่สมญามำฟัวทัวไป สี่ใจค่อยซิกค่อยฟูนต๊ออกเหมือนงั้นก็ใหสี่พืชถึงนมือเหน่ด and we're going to เขาดีเขาดีเสีแล้วก็อเสียนกันได้อยากเขยนเลยนใจลบเบีอวโมนายื่อข้อง่ามข้อตายข้องามก็ใหมากแเพราะเขาสั่งเอาทเอาไปรักษาสิ่เอาไง่า พรสถานมนุยด่าากจนเศรษฐีคนาพิชาความหลุยเสเยอะสลาดตาเตี้ยจิดอ้านอันไรโมผาบมคิดคนยากนั้นอยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นเถพ่อนระุธเถื่อนพิชดามีคนผนวบเหลี่ยงใจมีคนอยางได้สักรามือชาดูขึ้นความดี เราไปแต่นี่สมบัตดหลายๆมีหล่างกายจกระจัดหยกไข้ไข้เย็ดร่างกายเชืง่ายจะจีปัญญาหรชาเขาอู่หลเรื่องรอบครอบให้จับตานะไหนเป็นลูกของผู้ดเป็นเชียวของผู้ดอเป็นเนียของผู้ใดเรื่องนั้นไปปานใดเจีสารภพหรือี่ฟังคือฟังสบาย ความสบายให้ประมากก็บอกผมประกอบตาบอ่ยลีเียจคือข้านบอกนอนัซ้อได้เสร็จอไรกเป็นผประโยชน์ห้มีใจจินใจขี่ใเหลงใจเพี่ยนสงหาพอแนเงิท่องของฟองที่หายเป็นที ระดีกรรมรดีที่สังไหวได้อะดีนะเป็นสมบัติของตัวภาษาโบรเขาจว่าลูกบกเนี่ยพ่อแม่ตากเยียดลูกตนเย็่อแม่อยากอายเลยนั่นบหละสมุทบันชี้เนื้องึ้นขึ้นขึ้นยึดคึนดีห้ไปฌานที่ได้เขาก็ี้พ้เนื่องาเือเป็นพ่อเขามั่นคิได้เป็นแม่เขามั่นโดแม่มาสอนบอกออกมาเลยจ้ะ กัคือข้อปิัตเดีวนีีแถอะนะขอท่าแม่ค่ะอย่างนี้เนี่ยเปิดแขนใใจตัวอางีความสุขเขาดูถือยิ้มท่าจักตัวไล่นท้องตัวเขาเส้นไล่เส้นตัวแน่แต่ไม่ควาสุขควสบายไปทังไรแต่นีหนาใหญ่พอกระโดงกระดงีเห็นชีวิตมััวนดีเงี้ยดีแต่ข้างนอกยกัน่ สั่อมืออาไันเึารี่เดือนมันต้องสั่งดอกทั้ามต้างสั่ไเดือนทีแล้วต้งไฮนอกหสิจากห้าสิสงเอาสจางอน้มีปัญหาอะไรสั่งขอ่กายใส่ใจเขาห้าวสังให้ห้าอื่สัง้คนอื่นกันิษก้อวดม่างจังแดดดี แต่เทำดีทำดีมันเกิดึงก็ได้อยแล้วเขากำลังจะทำอะไรเขาบอกเหรอไม่เอาด้วยพเราค